ที่เริ่มพึทธทานภาวนาคุรณาปฏิบัติดืวยดำเนินตามที่ท่านแนะไว้ในหนังสือเรื่องภาวนาจป็นหลสาระสำคัญของศาสนาแท้คภาวนาเป็นสำคัญมาก ในหลักศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้อันนี้เป็นแกนหรือเป็นรากแก้วของศาสนาก่อนอื่นให้ใจได้รับการอบรมถึงเรื่องศีลธรรมคุณ ง, งามความดีต่างๆหลังจากนั้นขอพึ่หัดทางด้านจิตใจทดสอบอารมณ์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 เรื่องของปิติคิดตุ้มในเรื่อ ง, องต่างๆทั้งที่เป็นทิ่เป็นภัยทั้งที่เป็นคุณจะเราได้ดีการฝึกหัดเบื้องตน้นก็เหมือนกับเราเริ่มงานงานนั้นลองเป็นงานที่เรายังไม่เคยทําผลก็ยังไม่เคยปรากฏเป็นกับเพียงว่าเหตุผล เป็นเครื่องบังคับให้ต้องทำงานเราก็ทำตามเหตุผลแต่ความทำนานของงานความเข้าใจงานเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ชำานาญผลก็ยังไม่ปรากฏจึงต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาของการทำงานในเบื้องต้นเมื่อทำไปนานๆความถนิชำานาญในงานก็ค่อยปรากฏขึ้นความคล่องแคล่วในงานก็ค่อยเป็นไปโดยลำาั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 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ อ, อาศัยการฝืนบ้างเหตุที่จะฝืนเพราะเพราะเราอยากดีผู้ที่มาสอนเราก็คือพระนอกจากพระแล้วนำาศาสนามาสอนสาศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จรงิง<ๆ>เห็นจรงิงไม่ได้ตั้งพระองค์เป็นผู้หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมนุษย์ แต่เป็นผู้รื้อฟื้นขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะความง่วงเงาต่างๆต่างหากรมที่แสดงออกมาทุกบททุกบาทออกมาจากการพิสูจน์ค้นพบวามพระพุทธเจ้าอย่างแน่พระทัยแล้วจึงได้ให้นามพระธรรมนั้นว่าส่วขาตธรรมคือตราสว่นชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยน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 หาความตัดความจริงต่อกันไม่รู้สึกว่าหาได้ยากไม่เหมือนก่อนก่อนเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยมีศัพท์แต่ว่าร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นทำของจริงหรือคําตัดคำจริงจริงไม่สามารถที่จะสถทิดอยู่ในจิตใจใที่ปลอมๆนั้นได้ถึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความเสนิท เวาลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจำลองของใจผู้ฟังก็พร้อมด้วยการต่างอันต่างพองฟังกันก็เชื่อและต้มถุนกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เจ็จไม่หลาในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่าศาสนธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มถุนกลับทําให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประคฤติปฏิบัติ เมื่อหางเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจำปลอมเข้าแทรกซึงหรือกุ้มลุมจิตใจและความลำบากลำคาญอยู่เสมอเราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทําซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงส อ, งสอนไว้แล้วควรพิสูจนความจำปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่และจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจำปลอมซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้ เกิดขึ้นแก่เราอยู่ไม่แล้วไมหมเล่านี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลํำดับจะได้มีความพาสุกเป็นใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชิดชูหรือปลดเครื่องสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้นทางด้า น, นใจิตใจโดยลํยำดับภัยธรรมจึงไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดธรรมเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแก่ใ จ, ใจ และมีใจเท่านั้นเป็นผู้เป็นคู่ควรจะทําคือ ส, สามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจถีา ใ, ใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมปลอมมันแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิตทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของปลอมประตามกาันไปหมดจึงทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวาย อยู่ที่ไหนก็มีความผาสุขเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทําความผาสุขเย็นใจให้เกิดจากใครทั้งนั้นขึ้นเชื่อของปลอมเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะกาจัดสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายนั้นออกให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ของตีอยู่ภายใน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 เรายังอุตส่าห์ทนกับงานนั้นมาได้แต่เราจะทำกิจการมภาวนาคืองานประเภทคุณสมบัติภายในจิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นความจำเป็นเป็นงานจำเป็นเช่นเดียวกับงานอื่นสำหรับใจของเราทำไมเราจะทำไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่เราจะแก้กับเรื่องของจิเดชซึ่งเป็นตัวหลอกลวงไม่อยากให้เราทำเรื่องต้น จิตจะล่มลุกคู่ครานท่อไม่เคยถูกบังคับด้วยอัจด้วยคำถูกบังคับจากที่เลศโ ด, ดยขายเดียวเรื่องของที่เลศต้องบังคับกิตเสมอบังคับให้ลงทางต่าเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทางทางฝ่ายต่ำแล้วจะฉุดลากขึ้นมาทางฝ่ายสูงคืออัดทำซึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดายากก็าตามเรา ฝืนเพื่อที่จะชุดลก่กจิตใจที่กำลังถูกร่มงหลุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาเดิมดับเป็นจิบที่ควรทำอย่างยิ่งสาหรับเราผู้หวังความสุขความเจเลยท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีจดิตน้สยัยชอบในทรรมบทใดกรุนานํำทำบทนั้นไปบริกรรมคำว ถูกกับจดิตนิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากําหนดนําบทคําบท น, น, นั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายจใจิตใจหรือล่องแคล่วภายใจิตไม่หนักหน่วงนี่คือว่าถูกกับจดิตของเราเช่นพุทโธเป็นตน้นถูกแล้วก็พึงนํำทำบทนั้นมากํากับกับใจ ท, ทําไมจึงต้องกํานำคำบริกรรมมากํากับใจ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 เอาเหยื่อล่อเพื่อให้ตามันกินเบ็ดเราต้องการปลาเราไม่ได้เราไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเหยื่อเรามุ่งหวังจะเอาปลาต่างหากจึงต้องหาเหยื่อมาล่ออยูติดกับปลาเบ็ดแล้วให้ปาเห็นเขาก็กินเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารหนี่เป็นข้อเทียบเคียงแล้วคําว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีหรือคําบริกรรมบทใดก็ตามนี่เป็นเหมือนกับเหยื่ออันหนัง่งสําหรับ ล่อจิตหรือเหมือนกับเชื่อมมาจิตให้จิตอาศัยอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติิดต่ออยู่เสมอไม่ให้พลาดจากกันแต่ากาหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุโทโธสืบเนื่องกันไปเป็นลําดับๆๆําดับเมื่อจิตใจได้ทํางานในหน้าที่อันเดียวไม่มีสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เล็นลอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องควรจิตใจให้เกิดความสาง้มั่นมุ่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไป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 มีเรียกว่าเราได้ผลงานคือการภาวนางานภาวนาของเราเริ่มได้ผลแล้วได้ผลเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสุขแล้วสุขละเอียดอ่อนเข้าไปตามลำดับแห่งความสงบขึ้นนี้มากน้อยมีเป็นผลเครื่องจะยังจิตใจของเราให้ดู ด, ดื่มหรือหรือเป็นพยานเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องอบอุ่นของใจ ใจเมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่พึงพอใจเช่นนี้จะมีความภาคเพียรจะมีความเชื่อมั่นก่บผลจะเป็นรายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็าตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจอยู่แล้วยิ่งได้ทำภาวนาให้มีความละเอียดมากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุ ข, ขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นโดยลำดับนี่แหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อความเร่มใส ในพระศาสนาหรือความเชื่อต่องานของตอนที่จะพึงบุกบืนหรือพยายามไปโดยลำดับเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นครั้งหนึ่งแล้วเห็นกระจั์ต่อไปความขยันหมั่นเพียรความสนใจต่องานของเราที่เคยทำนี้จะค่อยเด่นขึ้นโดยลำดับไม่คอยจะถูกบังคับบัญชาอะไรมากนะักแต่ประการสำคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแล้ว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 แม้น้อยหนึ่งเขาไปเกลือปนภายในจิตใจหรือไปแทะถิงภายในจิตใจเลยได้เติจิตของปราชญ์ก็เรียกว่านักติดสันติพลังสุ ข, ขังเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญญะสัญชาติยาณอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหน มีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังก็งจะได้ความสุขความเกลเลยแต่แล้วทำไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของจัดโลกแล้วทำไมจึงไม่เจอความสุขดังที่มุ่งหมายบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเหตุอะไก็เพราะว่าเสาะหาความสุขไม่ไม่ถูกตุดอันเป็นที่พึงพอใจ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 การแสดงหาความตุกทางใจเสดงหาอย่างนี้ส่วนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคยสอบแสดงเคยได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาแล้วอันนีใ้ใครก็เข้าใจไม่จําเป็นต้องแนะนําต่างสอนกันที่สําคัญก็คือการสอะแสดงหาความตุกทางหน้านในใจิตใจอันเป็นหลักสําคัญในร่างกายและจิตจใจเราเราควรจะสอะแสดงหาวิธีใดถึงจะเจอความตุกจิตใจที่เจอความตุกย่อมไม่ปัดแปลง ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งเฟอ้อเห่อเหืมมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติจะอยู่ในอียาบทใดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเต้นผิดกระโดดอุูายในิตใจเพราะมันมีอะไรกวนใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเยี่ยงจิตใจให้รับความสุขความทุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะสะแสวงหา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 เราไม่ต้องพานอะไรเลยจะเอาความสวนชุมนังเลยก็รู้สึกมันจะเปลี่ยนเกินครูไปถึงควรดําเนินตามน้องลอยของครูว่าพุทธทางธรรมทั้งทางสนาฉ า, ามีท้านดำเนินยังไงก็ควรดําเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกยากลาบากบ้า ง, ก, า ก, า ง, า ง, างก็ทนเอาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกโดยกันนั่นแหละถ้าอยู่ที่ไหนก็โทุกแต่การบําเพ็ญตามหลัก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 ตั้งกลับตั้งการ น, นับไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่สารโลกลายไหนๆก็ตามไม่ต้องการทั้งการทั้งนั้นแต่ทำไมเราจะเป็นผู้ไปเจอโอสิ่งเหล่านั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนะเหรอนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะตราบตรามพิเรธที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนแตะทุกข์ในทางที่ดีทนบ้าง จิตนี้ถูกกิเลสครอางามานานอะไรๆก็เป็นประการกิเลสทั้งหมดทกกําแทรกเข้าไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กําลังพยายามจะเอาทอําแทรกผ่านๆอจิตใจเพื่อชุดล่าจิตใจที่กําลังมีคุณค่าอยู่แต่เพราะสิ่งทียมีคุณค่าครอบงามเสียจิตจึงหาคุณค่ามาได้นั้นคอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยทําเราฝึกจิตเพื่อมีคุณค่า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 เพาอำนาจแห่งกินกันอยู่เสมออยู่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยมันหมดไปได้เนี่มันจะเหลือยังได้ยังไงเป็นล้านล้านก็เธอเท่าความกินอยู่เสมอเวลานาทีกินไปเรื่อยกินไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็ถึงกินหมายตาชางเอง ม, มันถึงจุดที่หมายเองฉาหลายที่ทำลายไปได้เนี่ยเวลานี้มันยังไม่หมดเขากินไปทุกวันทุกเวลาแต่ยังเหลืออยู่ที่พอเราจะได้แบ่งทําุญญงามความดี หาสาระเป็นที่พึ่งของใจเราได้ในขณะนี้เึงควรตื่นตัวตายแล้วถึงตื่นตัวมันตื่นไม่ได้จึงเรียกว่าคนตายตายแล้วไปหาทําบุญนําทานที่ไหนทําไม่ได้ทําทานไม่ได้รักษาศิลไม่ได้ภาวนาไม่ได้นอกจากจากสะสว้ผลที่เราทําแล้วตั้งแต่ความเป็นมนุษย์อยู่นี้เท่านั้นเราต้องคาดปัญญาของเร า, าให้ไกลกว่าที่เละทิ่เละมันไม่คาดอะไรละจะให้ได้อย่างใจอย่างใจอย่างใจเป็นที่พอ ใ ห, อให้อยู่ด้วยความสนุกสนานรื่นเลิงอยู่การใจก็อพอแล้วมันสนุกสนานที่ไหนมันรื่นเริงที่ไหนพลิกของกิเลสมันทําคนให้รื่นเริงให้มีความสะดวกสบายที่ไหนมีแต่บีบคั้นอีกใจให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาเท่านั้นถา้าให้เห็นโทษของมันก็จะต้องถูกมันกดขี่บังคับอยู่ตลอดไปถ้าเห็นโทษของมันทําจะแส้ฟาอัยกับจิตใจได้เราก็จะการเป็นผู้มีสาระขึ้นมา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 ไปเกิดในภพกายชาติใดก็ตามผู้ขึ้นเชื่อว่าผู้มีธรรมภายในใจและบำเพ็ญกุณ迦ความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไประเสริผลโดยถ่าเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นปัจจัยทนะ่านศึกษาภาวนาในเบื้องต้นพยายามทําจิตั้งเราให้สงบพอจิตสงบเท่านั้นผลของการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยกันทั้งนั้น เพราะคำว่าสันติโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองรู้เองนั้นพระพทุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกหลายจะพึงได้ครับผลที่เกผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนมีทางกาวในเรื่องสมาธิคือความสงบภ า, ายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อควนทั้งหลาย เรียกว่าสงบเมื่อไม่มีอะไรก่อควรถ้าเป็นน้ำก็ใสาสะอาดจิตใจก็ผ่องใสาตากระจากอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดตรุงแต่งต่างๆเป็นเครื่องกวนใจใจย่อมสงบแ น, แน่วแน่มีความสุกสุขอย่างละเอียดละออมีความสงบมากเพียงไรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่งละเอียดสุขผมมากขึ้นจนกลายเป็นความความสุขที่น่าอัศจรรย์ นื่เป็นความสุขที่อัศจรรย์เพียงขั้นแห่งความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี่ขั้นขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสตาสมาธทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่ปิดเรียกว่ามามมัดไว้คริบที่ที่นี้จะเริ่มฆ่าแล้วที่หนึ่าฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าเพียว ว่าฟันหันแหลกเสียดลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือิดพันอยู่กับสินไดรากสินใดโปดสินใด้เบียดสินได้อามาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแต่พ อ, อย่างยิ่งคือา่าคือขันตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นความทุกข์ด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาให้เห็นชัดคําว่าอันนี้จังคืออะไรเราเห็นแต่ในคัมพีบาลานั่านเขียนไว้ว่าอันนี้จังอันนี้จังทุกขังอนาถาอันนี้จังตามความเป็นจริงที่กระทกเ็เตือนเราอยู่ ทุวิทุกวันทุกเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายนี่เองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเพือนจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายเนี่ยทํามันแสดงมากว่าไม่สบายทุกขงังหาามายคำว่าอะไรทุกมันก็ต้กอกระอยู่อนภายในร้างการและจิตใจของเรานี้ยร่างามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากําหนดดูตามอาวัยวะ ต, ต่างๆจะเป็นส่วนใดก็าตามมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัว จากการผสมเข้ามาเขาะเรียกว่าศัตวว์่าบุคคลโดยที่มีใจเขาไปครองตัวหญิงนั้นเป็นเจ้าของก็ว่าเราบอกของเราก็หญิงว่าชายความจริงก็คือธาตุคือขันอาญตนะเป็นเครื่องมือของจิตที่ช้ายอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดกําลังแล้วก็สลายตัวลงไปคําว่าสลายตัวลงไปนั้นได้จะตายที่โลกสมมุติให้ชื่อกันมาตายร่างกายนี่มันตายจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ ที่ที่โลกสมมติว่าเป็นจัตเป็บุคคลนี้ลงไปสู่ยธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟใจก็ออกเป็นใจตามเดิมเพราะใจเป็นใจอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนต่ใดเป็นแต่เพียงมาอาศัยเขาอยู่เพราะตอนไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองและเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือธาตุปีขาญเกิดพบนั่นตายพบนีน้นนอยู่เรื่อยๆหนึ่งเพจิตยังไม่สามารถช่วยตัวเองจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโ ด, ดยไม่ต้องอาศัยอะไรได้ <c oughs> ถึงเมื่อปัญญาได้พิจารณาตามเหตุตามผล ตามภาพตามขันตลอดถึงความคิดความปรุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสภาพอนิจังทุกขงังอัตตาด้วยกันประจักด้วยปัญญาลงไปโดยลําดับลำหดับความยึดมั่นถือมั่นสาําคัญผิดเพราะนั้นเป็นเรานั้นนี้เป็นของเราหน้าการใดก็ตามมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้าม า, า, มาคือปล่อยกรรมสิทธิกรรมสิทธิ์นั้นแล้วทะลิกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมัน่นมันกดท่วงจิตใจของของเรามันช้น้อยน้อยให้รับความทุกข์ความลํำบากเพราะอุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกให้เห็นตามความเป็นจริงไดนะ้ย่อมถอน สิ่งเหล่านี้ความยึนมั่นถือมั่นเข้ามาได้เป็นลําดับลําดับนี่ถอนเข้ามาจนกระทั่งสิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตขังอดเข้าไปจนทั่งถึงจิตเพื่อของที่เหลยดตัณหาสมะมารวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดเอาหมดแล้วไปยิดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลําดับลําดับที่เหลยดไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนภายในจิต อปัญญาตาเข้าไปในจิตพิจรณาค้นคว้าเห็นตามหลักอินทรชุกขล า, าเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปจกาานกระทั่งถึงจุดเดืคนไม่ไายแตกกระจ า, า, ายกไปจากจิตนี่เรียกว่าทําลายภพชาติเชื้อของภพของชาติมันอยู่ในจิตมันอยู่ในใจถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้อง้องอาศัยอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรงตายที่เป็นปรอชาติประจําตัดสั้งขัน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 นิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสุขอย่างยิง่งไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนี่มีคุณค่าเพียงไหลจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสินไม่มีคุณค่าสิ่งที่จำปลอมสิ่งที่โสกโตกโสมทั้งหลายมันครอบงำอยู่ตลอดเวลานี่หละเมื่อชาระสิ่งโสกโตกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่า ท, ท, กกมมทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลําดับบจิต ก, ก็กลาจเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิถึงขั้นยิ่งสุดที่มักเรียกว่า ถึงขั้นี่สุทธิกิตเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มภูมิไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดที่นเพราะฉะนั้นท่านที่ไปไม่เกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ตายที่ไหนอีกด้วยเพราะมีเชื้อคือฐช่ไหมคือความเกิดความตายก็ไม่มีเราไมีการ จ, จับจองปัจฉาปัจฉาจะมีในตัวงเราได้อย่างไรไม่มีเกิดความตายจะมีได้ย่างไรนี่คือจิตที่พอตัวแล้วไม่ต้องอาศัยอะไรเลยตอนที่มันยังอาศัยอยู่เพราะยังไม่สามารถตึ่นตัวเองนี้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องพยุงฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีสําหรับ เราเองผู้มีความรับผิดเข้าในตัวเราจึงเป็นความจําเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะต้องเที่ยอยู่ในวัดตาสงสารกราบใดคุณ ง, งามความดีซึ่งเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาจึงต้องเป็นความจําเป็นอยู่กราบนะั้นข้านขอให้ท่านทั้งหลายจึ่งเป็นพุทธบริษัทได้นําประพิญนิพพิจนาแล้วประพฤติปฏิบัติตนอย่าได้มีความกระหม่อมนอนใจเรื่องชีวิตสังขารร่างกายไม่มีกดมีเกณฑ์ดับตายเมื่อไรก็ได้แตกเมื่อไรก็ได้ไม่ไม่มีอะไรมาเมียมาหน้าเหนือสึ่งเหล่านี้ได้ นั้นเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีพี่ควรจะตักตวงอเอาเสียตั้งแต่บัด น, นี้จะไม่ได้เสียท่าเสียทีไม่เดือดร้อนในภายหลังดูก็เป็นจูกตาแล้วก็เป็นสุ ข, สขไม่มีอะไรเดือดร้อนจึงขออยุดติเพีงท่านี้